อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยค่ะในรายการธรรมารับปรุปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสําหรับรายการธรรมารัปรุณนี้ก็เป็นรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยจะนําธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจําทุกเช้าเลยนะคะตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าค่ะและสําหรับในวันเสาร์อาทิตย์นั้นเราก็จะได้อ่า เรียกว่ามีการสนทนาธรรมนะคะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นสิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดที่ตัวาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะสําหรับในเช้าวันนี้นะคะเราพบกันนั้นก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่22ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันแรมสิบขําเดือน11ปีเถาะนะคะ ก็อยากจะข อ, อนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไตบูรอ ภ, ภิบุนโนแล้วก็รับฟังท่านสากชาหรือสนทนาธรรมดีๆกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาจเจิญพร ค่ะทูตเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันนี้โยมอยากจะขออนุญาตพระจารย์นะเจ้าค่ะที่จะนําจดหมายของอท่านที่เป็นแฟนรายการเราท่านหนึ่ง<อ>เขียนมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองเจ้าค่ะอยู่ใกล<อ>้กลพระจารย์นะเจ้าค่ะใช่ใช่ชื้อคุณวิไลจิตสังขะเจ้าค่ะก็เขียนมาในจดหมายก็เนื้อความบอกว่าท่านรองอธิบดีเตนใ จ, จสิ่งทุวันนี้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์ไพบูรณ์ได้กติธรรมยอดเยี่ยมมากพระอาจารย์แสดงธรรม ได้ฉ า, านชัดเจนไม่มีข้อสงสัยโดนใจจริงๆค่ะอยากฝากถามพระอาจารย์ไพบณ์ด้วยนะคะว่าคำว่าปฏิจจสมุตบาทมีความหมายว่าอย่างไร mm hmm. ยกตัวอย่างให้ฟังด้วยนะคะก็ขอขอบพระคุณมานะคะแล้วก็ยังคุณวิรายจิตยังบอกด้วยเจ้าค่ะบอกว่าคุณวิรายจิตนั้นมีสมุดจดบันทึกเนื้อหาของรายการธรรมาราบรุณทุกวันเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็สมุดเย่ำบทไปหนึ่งเล่มแล้วหวังว่าก็จะหยิบมาอ่านเจ้าค่ะแล้วก็มีการปรับใช้กับชีวิตจริงด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางรายการธรรมระประดุลของสถานีวิทยุทกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราปรารถนาอย่างยิ่งที่ว่ารายการของเราจะเป็นเพื่อนใจให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆ ท, ท่านเลยทั่วประเทศที่ตามเราฟังเรา <S <S อาชนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะป็กราบิมนพระเจาจะพูดถึงประเด็นทีละประเด็นของคุณวิไลเจตสันิดหนึ่งก <พา S 1> ่อน <Okay. S 2> ถ้าพูดถึงธรรมะของอาตมาเนี่ยนะไม่มีอาตมามลอกมาจากพระพุทธเจ้าอาตมาก๊อปปี้มาเลยอาตพุทธเจ้าพูดอะไรเราก็ก๊อปปี้ก๊ปปี้มาเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันก็อยู่ในสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเรานี่แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะหยิบยกเฉพาะเรื่องที่พอฟังแล้วจะเข้าใจได้มาให้ฟังทีงนี้ว่าถ้าแสดงสิ่งที่เป็นพุทธปจนะอันนั้นคือของพระพุทธเจ้านั้นอาตมาทําหน้าที่ในการที่จะเอาสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเนี่ยมาให้ฟัง แล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจมแจ้งทีนี้มันเป็นคุณสมบัติของธรรมะไงคุณเตือนใจพอมันเข้าไปในจิตดวงไหนแล้วนะมันจะเกิดความสว่างนะไอ้ข้อที่บอกว่าแจมแจ้งโดนใจไม่มีข้อสงสัยเนะี่ยนั่นคือคุณสมบัติของธรรมะอันนั้นเป็นคุณสมบัติของธรรมะที่ว่าเหมือนกับแสงสว่างเราจุดเทียนในห้องอะไรเงี้ยนะมันจุดเทียนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะสว่างอย่างเงี้ยนะนั่นเป็นคุณสมบัติของธรรมะลักษณะนี้นะ ประการที่2เกี่ยวกับเรื่องของการจดเนื้อหาเนี่ยอันนี้ท่านเป็นบทสนทนาของอท่านพระสารีบุตรกับท่านพระโมคคัละนะที่พูดถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นผู้ผู้หูสูดผูนะ้หูสูดเนี่ยคือผู้ที่สามารถจะจดจำแล้วก็อธิบายอะไรต่างๆได้ง่ายนะหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการทบทวนเนื้อความต่างๆอยู่เรื่อยๆ เพรา ะ, ะ น, นคุณวิไลจิตเนี่ยก็กําลังสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้ตัวเองเป็นผู้ประหุสูตรอันนี้จะดีมากเลยอีกประการหนึ่งประการที่สาที่สตอบพูดถึงเรื่องปฏิจจสมุบบาทนะ่าคุณสนใจเนาะเจ้าค่ะก็สำหรับในเช้า ว, วันนี้ก็อยากจะข อ, อนําคําถามของคุณวิไลจิตสังขะนะเจ้าคะเกี่วยวยกับคําว่าปฏิจจสมุบบาทเนี่ยมาชี้แจงสร้างความกระจ่างให้ทั้งท่านผู้ถามคือท่านวิไลจิตรวมทั้ง ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าคะว่าคำคำนี้หมายถึงอะไรเท่าที่โยมเคยฟังจากพระอาจารย์ก็คือเพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค ะ, ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาที่จะบุจช้าวิสัชนากันเลยนะเจ้าคะกราบนิมนต์เจ้าค่ะคำว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะตอนแรกอาตมามาอ่านดูโอ้โหคำนี้มันเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่รู้มาจากโลกไหนเรารู้สึกว่ากลัวๆมันจะเข้าใจได้ไหมมันยากหรือเปล่าเงี้ยนะ S <S <S ก็พอ <c oughs> เราไปศึกษาดูเนี่ยเราพบว่าเออเป็นเรื่องที่แค่หลักของความเป็นเหตุเป็นผลเท่านั้นเองท่านผู้ฟังไม่ต้องกลัวนะกลัวเนี่ยควรจะกลัวบาปไม่ต้องคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างกลัวน้ําท่วมกลัวกลัวคําปฏิจจสมุปบาทนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะกลัวบาปดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคํานี้คําที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเรายิ่งจะต้องเข้าไปศึกษาให้รู้จริงนะผู้เช่าบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออะไร พระเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้ก็คือการที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยในกรณีนี้คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนั้นย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนั้นจึงดับไปอันนี้คือถ้าเราอาจจะอธิบายคําว่าปฏิสาสมุบาะเราก็จะได้4ี่วคนี้ซึ่งอธิบายยืดยาวออกมาหน่อยแต่ก็ยังฟังยากอยู่ดี นี่ก่อนนะบางทัานก็จะไม่คุ้นเคยกับภาษาก็จะเอ๊มมันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ก็เข้าใจมากขึ้นอย่นิดนึงทีงนี้ถ้าจะให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าเอา้านี่ไงอย่างเช่นง่ายๆเลยคุณเห็นน้ํามันปิ่มๆิมอยู่ที่คลองใช่ไหมเห็นแล้วเนี่ยเห็นที่ไหนเห็นที่ตาเพราะมีตานะตาเนี่ยเป็นสัมผัสต่ตางตาใช่ไหมจึงมีความรู้สึกรู้สึกว่ากลัวละกลัวน้ําท่วมเป็นต้น หรือว่าเห็นน้ำเปลี่ ม, ปมๆปฉันไม่กลัวเพราะฉันทาใจแล้วนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นผลของการที่ลรตาเราไปเห็นน้ําพระเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีผัสสะจึงมีความรู้สึกนะผัสสะในที่นี้คือทางตาเราเห็นข่าวทางทีวีเขาเตือนภัยอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงมีความรู้สึกว่าเราไม่สบายใจและความรู้สึกไม่สบายใจที่เกิดขึ้นนี้เป็นเวทนาเป็นความรู้สึกที่เป็นผลของเหตุคือ สัมผัสทางตาพระเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีสัมผัสจึงมีความรู้สึกนะเพราะมีความรู้สึกนะจึงมีตัญหาตันหาในที่นี้คืออะไรสมมุติเรามีความรู้สึกกลัวใช่ไหมกลัวต่อน้าท่วมเราจะมีตัญหาคือความอยากที่จะไม่ให้น้ำท่วมนะความอยากมันมี3อย่างรู้สึกที่เราเคยพูดมาแล้วอย่างแรกก็คือความอยาก ในกามทำ่มอยากได้สิ่งของนั่นนี่เข้าของเครื่องใช้ต่างๆในโลกอย่างที่สองคือความอยากมีอยากเป็นอย่างอย่างที่3าคือความอยากไม่มีไม่เป็นพอเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นในใจนะคุณ ใ, ใจว่าฉันไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบข่าวนี้ฉันไม่ชอบเรื่องนี้มันจะมีความอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่ให้ของฉันท่วมอยากไม่ให้น้ําท่วมอยากไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะมันมีความรู้สึกไง พระเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีเบชนาจึงมีตัณหาอย่างนี้ทีนี้ไอกระบวนการการทำงานตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคุณจะใจนื่ออไหม้อ่อย่างเช่นว่าไม่ใช่แค่เราตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นเอาอย่างง่ายๆคนที่อ้นอวนๆอย่างเนี้ยนะน้หนักรู้ว่าตัวเองอ้วนแล้วน้ำหนักก็เกินแล้วแต่พอเห็นอาหารที่มัน ถูกปากหน่อยอย่างข้ า, ขาวําหมูมันมนมาเลยเนี่ยน้ำลายไหลเนี่ยเนี่ย น, นี่คือกรณีของความชอบตาเราเห็นรูปจมูกเราได้กลิ่นข้าวขาวหมูลิ้งยังไม่ทันลิ้มรสนะปรากฏมีเวทนาคือความรู้สึกชอบอย่างมากๆเลยนะเราก็จึงพอมีเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยก็จึงมีตัณหาความอยากฉันต้องกินเดี๋ยวนีนะ้จานที่2องจานที่3ก็เอานี่คือความ อ, อยาก มันเป็นลักษณะลําดับขั้นอย่างนี้ทีนี้พอมีความอยากแล้วมันจะมีความอะไรมันจะมีความยึดพระพุทธเจ้าพูดถึงเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานตัณหาคือความอยากใช่ไหมอุปทานคือความยึดยึดถืออย่างกรณีของข้าวขาหมูเนี่ยเราเห็นข้าวขมูเราอยากในข้าวขาหมึกและขาหมูแล้วเนี่ยนะเราก็จะยึดว่าข้าวขาหมูนี้ของฉันปรากฏว่าพอในข้าวขาหมูนี่มีแมงวันมาสัก 2- อสาตัวเนี่ย เขาจะไม่พอใจทันทีนะเพราะว่าข้าวขาหมูนี่มันของฉันถ้ามีแมงวันในจานคนอื่นฉันจะไม่ว่าเลยแต่ทําไมมันต้องมามีในจานของฉันอย่างนี้นนะค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็คือเพราะมีตัณหาจึงมีความยึดถือเพราะมีความยึดถือเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเพราะมีความยึดถือจึงมีสถานที่เกิดอันนี้คือพบหมายถึงการเกิดของจิตจิตของเราเนี่ยจะไปก้าวลงในข้าวขาหมูนี่ยึดข้าวขาหมูด้วยความเป็นตัวตนอืม เอาเรียงพูดเรื่องของน้ำอย่างนี้เป็นต้นอ่ะถ้าเรามีความไม่ไม่ชอบน้ำนะเห็นน้ำท่วมอย่างนี้นะกรณีของน้ำท่วมเนาะคุณตือนใจเนา ะ, ะว่าพอมีเห็นข่าวน้ำได้เห็นน้ำปริมปริมอยู่ที่คลองข้า ง, ข, างข้างบ้านแล้วอย่างนี้นะก็เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจถ้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจนี่คือเวทนาเนะพราะมีผัสสะจึงมีเวทนา พอมีเวทนาแล้วจึงมีตัณหาตัณหาในที่นี้คือความอยากที่จะไม่ให้เป็นไม่ให้อยากน้ำท่วมอยากที่จะไม่ให้น้ำท่วมใช่ไหมพอมีความอยากจึงมีความยึดยึดในอะไรยึดในน้ำว่าน้ำอย่ามานะน้ำอย่ามาเพราะว่าเรามีความอยากที่จะไม่เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงมีความยึดในทางตรงกันข้ามว่ายึดไม่ให้มียึดไม่ให้มีน้ำในที่ของเราในบ้านของเราเพราะฉะนั้นพอเขายึดอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะ เขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้บ้านของเขาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาทำมาเไยเปียกหรือว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการย้ายของยกของขึ้นอะไรต่างๆก็เป็นการเตรียมการที่สามารถทำได้อย่างกีมเป็นต้นเพราะนั้นเรื่องปฏิจจสมุปาทเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีนะเป็นแก่นคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยอันนี้เป็นทางสายกลางนะคุณนใจ คุณเ<บ>นะชาเคยพูดถึงทางสายกลางที่พระองค์บอกว่าคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาหีือคือทางสายกลางใช่ไหมอธิบายละเอียดมาหน่อยคืออริยมรรคมีองค์แอธิบายละเอียดลงมาอีกจะพูดถึงปฏิจจสมุปบาทอ่าปฏิจจสมุปบาท ต, ตรงนี้ทีนี้ก็จะมีคนถามว่าเอาแล้วพอจิตของเราเป็นยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างในกรณีของข้าวขามหมูเนี่ยถ้าเรายึดข้าวขามหมูว่าเป็นของเรานะอ่ามันก็จะมี นื่องจากว่าข้าวขาหมุนเป็นของของโลกหรือว่าน้ำมันเป็นของของโลกมันก็ไหลไปตามกระแสของมันข้าวขามุนก็เป็นธรรมชาติของมันมันจะต้องมีเกิดมีดับนะมีการเกิดขึ้นมีการเสื่อมไปนี่แหละคือปัญหาเพราะว่าถ้ามันมีการเสื่อมไปเมื่อไหร่เราจะได้รับความทุกข์นะถ้ามันเราไม่อยากได้มันใช่ไหมมันมาทีนี้มันมาทีนี้เราเป็นทุกข์ละเนี่ยนี่คือกรดไนที่เกิดขึ้นพระเจ้าก็จะ ลายฝังว่าเอาเพราะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาคือความรู้สึกกันนะในที่นี้จึงมีตันหาเพราะมีตันหาจึงมีความยึดเพราะมีความยึดถือจึงมีมีสถานที่เกิดของจิตเพราะมีสถานที่เกิดของจิตจึงมีการเกิดของจิตเพราะมีการเกิดของจิตจึงมีความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลาพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแก้นใจทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นของของทุกขงมลจึงมีด้วยอาการอย่างนี้โจค่ะทีนี้ไอ้กฎตรงเนี้ยเ้าเรียกว่ากฎแห่งความเป็นเหตุเป็นผลคือปฏิจจสมุปบาทถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะก็แปลว่าทำที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นทำที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นเจค่ะเพราะมีสิ่งนี้จึงได้มีสิ่งนี้ตามมาใช่ไหยเจ้าคะต้องถูกต้อง เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทง่ายๆที่สุดเลยนะเราไม่ต้องจํำแมลงสิ้นแค่หลบกฎข้อเดียวสิ่งนี้เกิดเพราะอะไรมาเป็นเหตุสิ่งนี้มีเพราะอะไรมีสิ่งนี้ดับเพราะอะไรดับ อ, อย่างเช่นความทุกข์ที่เรามีอยู่มันเป็นเพราะอะไรคือคือเป็นเพราะอะไรนี่ไม่ได้มองภายนอกเนะีไม่ได้ไปชี้หน้าดา่าคนนั้นต้องเป็นเพราะรัฐบาลต้องเป็นเพราะคนนี้ต้องเป็นเพราะคนนั้นไม่ใช่ธรรมะของพระเจ้าย้อนเข้ามาในตัวใช่ไหมเป็นเครื่องทวนกระแสย้อนเข้ามาใ น, ในตัว เราต้องย้อนมาดูในตัวเราว่าเอ๊ะทำไมจิตของเรามีทุกข์อ๋อเพราะจิตของเรามันมีความยึดมันเข้าไปยึดในสิ่งนี้มันจึงเป็นทุกข์เอาทำไมมันถึงไปยึดเอาเพราะมันมีความอยากเอาทำไมมันถึงไปอยากเพราะมันมีความรู้สึกเอาทำไมมันไปรู้สึกเอาเพราะมันไปเห็นสิแล้วมันเห็นได้ยังไงมันก็ย้อนไปย้อนไปทีนี้ถามว่าทําไมตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงฉันเกิดมาฉันก็เป็นอย่างนี้นะฉันไม่เห็นรู้เลยมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงบางคนอากจะว่าซึ่ง คำสอนพระพุทธเจาคุณต่อใจเอ้ยโอ้โหมันลึกซึ้งลึกเข้าไปถึงถึงเบื้องลึกของเหตุของปัญหานะตอนนั้นมาเป็นสมัยเด็กๆเรียนมัธย ม, มนะเฮ้ยเราก็มานั่งคิดตอนนั้นอยู่มัธยม3เราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยฉันเกิดมาทําไมแล้วฉันจะทําอะไรต่อไปแล้วทําไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่เฮ้ยทาไมไม่เป็นที่อื่นแล้วคนอื่นเขาเป็นอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็มาคิดปัญหาชีวิตทั่วๆไปธรรมดานะ ซึ่งตอนนั้นน่าโง่มากเลยถ้าเผื่อว่าเราได้ไปรู้คําสอนพระเจ้าเรื่องปฏิจจสมุปบาทหรืออิท ธ, ธิปชยตาเนี่ยนะความเป็นเนตรเป็นผลนะเราจะสว่างกระจ่างแจ้งตั้งตอนนะั้นไม่ต้องมานั่งกุมขมับอย่างนี้นะว่าเกิดมาทําไมเราก็พบว่าเราก็พบว่าเอาที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็เพราะว่ามันมีกฎของนามรูปอยู่นะมันมีนามรูปคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟเนี่ยมันมารวมกันปั้นกันเป็นตัวเราขึ้นมา ใช่ไหมมันมีธาตุดินอย่างสมมติแขนขาเราเนี่ยมันก็เกิดจากข้าวที่เรากินไปข้าวที่เรากินไปมันกโตมาจากดินน้ํำที่เรากินไปมันก็จะมาจากน้ําผสมกันใส่ความร้อนเขยา่าเขยา่อาออกเป็นตัวเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นธาตุดินน้ําไฟล่มแล้วปรากฏว่ามันมีนาำนะคือจิตที่เข้าไปยึดคลองร่างกายนี้โดยความเป็นตัวตนก็พระพุทธาก็สอนต่อไปอีกว่าเอาเรืระบบของนามรูปเนี่ยนะมันมาจากอะไรมันต้องมีเหตุมันถึงจะมีสิ่งนี้มาได้ อ๋อเหตุของการเกิดขึ้นแห่งระบบของนามรูปเนี่ยคือการที่จิตเนี่ยเข้าไปยึดครองจิตเข้าไปรับรูนะ้เพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปวิญญาณในที่นี้คือการรับรูนะ้พระเจ้าจึงบอกว่าเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีอายตนะที่เราเห็นเราได้ยินเราสึกสัมผัสเนี่ยนะคืออายตนะอายตนะมีเนี่ยเพราะปัจจัยคือนามรูปนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณคือจิตนั่นเอง นะจิต ท, ที่มีเนี่ยก็เพราะปัจจัยคืออาหารของจิตจิตเนี่ยมันยังมีอาหารอยู่มันก็ไปโตได้ใช่จิตเนี่ยมันยังมีอาหารอยู่มันก็ไปก้าวลงเกิดไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อาหารในที่นี้คือสังขารตั้งหลายนะคือการปรุงแต่งทางกายวาจาใจลักษณะ น, นี้การปรุงแต่งตรงนี้นะมันก็มีเหตุนะมาจากการที่เราจิตของเรายังมีอวิชชาอยู่ เพระฉะนนพระเาจุมวะอภิชาเนี่ยเป็นพิษร้ายของของอของสัตว์โลก เ, เหมือนเราเห็นน้ําท่วมได้ยินข่าวน้ําท่วมเนี่ยมันทุกข์เหลือเกินน้ายังไม่ทันท่วมเท่าไรเลยนะแต่มันทุกข์ไปก่อนแล้วนะบางคนอยู่ในทางไม่รู้ข่าวพาลตอนนี้เป็นยังไงแต่ถ้าน้ํายังไม่ท่วมบ้านเนี่ยมันก็ทุกข์ไปก่อนแล้วโอ้ฉันจะโดนไหมนอ ก, ก็จะเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการที่เพราะเราจิตของเราเนี่ยเข้าไป มีการปรุงแต่งไปล่วงหน้าแล้วเจ้าค่ะเพราะเนี่ยสมมุติเราอาการทุกข์ที่เกิดขึ้นทางจิตของเราเนี่ยเรียกว่าถูกลูกศรแทงแล้วดอกหนึ่งนะถูกลูกศรถึงถูกยิงด้วยลูกศรหรือว่าธนูหรือว่าเกาทันอย่างเงี้ยนะแล้วปรากฏว่าลูกศรอันนี้นนอาบยาพิษกุญแจใจอาบยาบพิษเนี่ยยาพิษของมันเนี่ยคืออวิชามันก็จะเข้าไปกวนระบบต่างๆของร่างกายนะพิษของมันเนี่ยเดี๋ยวไปกวนระบบ มันยิงโดนเราใช่ไหมยิงโดนแขนอย่างเงี้ยนะแต่ทําไมหายใจไม่ทันขาอ่อนแรงคิดอะไรไม่ออกเพราะพิษของมันทั้งนั้นเลยอย่างแค่เรารับข่าวสารอย่างเงี้ยเราถูกแทงแล้วนะถ้าคุณไม่มีสติรักษาจิตเนี่ยคุณจะถูกแทงที่ตาแทงที่หูแทงที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจถูกแทงเนี่ยหมายความว่าอย่างคนบางคนอ้วนๆนะต้องรู้ว่าตัวเองลดความอ้วนเนี่ยเขาเอาข้าวขาวหมูมาล่ออย่างเงี้ยก็ถูกแทงที่ลิ้นละ่ะ ใช่ไหมบางคนมีความกังวลเรื่องข่าวสารบ้านเมืองอย่างยิ่งยังยิ่งไปดูข่าวอีกก็ถูกกระแทงที่ตาถูกกระแทงที่หนะูแล้วปรากฏว่าพิษของอภิชาเป็นมีมันก็จะเริ่มไปด่าคนรอบข้างมันก็จะเริ่มทําให้ความคิดของเรา เ, เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นด่าคนข้างข้างไม่พอด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่ด่าน้องด่าทุกคนที่เห็นด่าเพื่อนบ้านอีกด่าแล้วไม่พอยังมีการเตรียมการที่จะทำนูน่นทํานี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี คือพิษของอาวิชาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยโอ้โหคุณเตือนใจพุะรูชาบอกว่าใครหนะ้าที่จะมาทํําทาการสังคีตินะสังคีตินะตี่หมายความว่าประชุมปรึกษาไข้ครววเรื่องนี้กันอยู่ประจําเหมือนอย่างพระสงฆ์ทําสังฆทานอย่างนี้นะสังคีตินี่ก็คือว่าอย่างเราเอาเรื่องนี้มาพูดคุยอย่างเงี้ยนะเป็นการที่จะทําให้พระสัธรรมเนี่ยตั้งอยู่ได้นานตลอดกาลนานไม่ใช่ว่า 5,000 ปีตลอดกาลนาน เถ้าเรายังมีการพูดคุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้อยู่คือความเป็นเหตุเป็นผล เ, เรื่องนี้ทำให้อมามาลองคิดดูถึงระบบการทำงานของสรรพสิ่งในโลกนะคุณเตินใจถ้าถ้าคุณถ้ามีคนมาถามเราบอกว่าคำสอนพระเจ้าเนี่ยบอกว่ามีการเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆถ้ามีคนที่เขาไม่เชื่อเรื่องการเกิดนะนะ คิดว่าเกิดชาตินี้แล้วตายไปเลยฉันไม่ได้ไม่ได้เคยเกิดมาก่อนแล้วก็ตายไปนี้ฉันก็คงจะไม่ไปเกิดอีกก็ต้องถามว่าระบบของการเกิดเนี่ยมันเป็นยังไงเราต้องรู้เรื่องระบบของการเกิดนี่ไงคือเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนที่พระเจ้าสอนถึงการเกิดมีเพราะอะไรการเกิดเนี่ยเด็กมันอุแวอุแวออกมาจากครรแม่เนี่ยนะก็เพราะมันมีสถานที่เกิดมันจึงเกิดมาได้ แล้วสถานที่เกิดมันมาจากอะไรเอาสถานที่เกิดมันก็มาจากการที่มันไปยึดไงมันมายึดที่นี่ว่ามันเป็นที่ของมันมันก็เลยมาเกิดแล้วการยึดมาจากอะไ ร, ราาการยึดมันก็มาจากตันหามันมีความอยากอยากในการบ้างอยากในความเป็นบ้างอยากในความไม่เป็นบ้างก็ไล่ขับไปไล่ขับไป <c oughs> ก็จะไปจบอยู่ที่อิชาอย่างเงี้นะ <c oughs> คือเรื่องของปฏิสมุบาเนี่ยถ้าเราพูดทั้งหมดทั้ง ทั้งขบวนการเลยเนี่ยน ะ, ะที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านจะนับกันได้ทั้งหมด12อาการถูกมซึ่งสิบคู่ว่ า, างั้นเถอะสิคู่เจ้าค่ะทีนี้ถ้าเราอะไ ร, ราบางเจ้าค่ะอ่าก็ไล่ไปเลยคุณเดินใจไล่าจากอันดับแรกคือความทุกมีนะความทุกปัญหาต่างๆมีเพราะการเกิดอันนี้คู่ที่1นึ่งที่การเกิดมีเนี่ยเพราะเหตุคื อ, อพบคือสถานที่เกิดนี่คู่ที่2 สถานที่เกิดเนี่ยมีพราะเหตุคือความยึดถือนี่คือคู่ที่3ความยึดถือมีเนี่ยเพราะเหตุคือตัณหานี่คือคู่ที่4คู่ที่5ก็คือตัณหามีเนี่ยเพราะว่าเหตุคือความรู้สึกคือเวทนานี่คือคู่ที่ห้าคู่ที่6กเนี่ยก็คือเวทนากับผัสสะนะเวทนาคือความรู้สึกมีเนี่ยความรู้สึกในจิตของเรามีเนี่ยเพราะว่าผัสสะมันไป ไปโดนไปโดนผัสสะคือตาหูจมูกลิ้นไกยใจอันนี้คู่ที่เท่าไหร่นะหใช่ไหมเจ้าค่ะหกต่อไปคู่ที่7คู่ที่7ก็คือระหว่างผัสสะนะคือกับอายตนะอายตนะมีนะจึงทําให้จิตจิตของเราเกิดผัสสะอายตนะนี่คือตาหูจมูกลิ้นไกยใจนะผัสสะนี่คือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นไกยใจนี่คู่ที่7เกิดขึ้นเจ้า ค, คู่ที่8นะที่อายตนะต่างๆมันมีเนี่ยก็เพราะเหตุคือนามรูป คู่ที่9นามรูปมีเนี่ยก็เพราะเหตุคือวิญญาณวิญญาณคือจิตของเราเองนะจิตมันไปเก้าลงในนามรูปจิตมันไปรับรู้ในนามรูปคู่ที่10ก็วิญญาณมีเนี่ยเพราะเหตุคือสังขารนะสังขารในที่นี้การปรุงแต่งของจิตจะทําให้จิตเข้าไปรับรู้คู่ที่เท่าไหร่นะสิใช่ไหมคู่ที่1ิบเก็คือสังขารมีเนี่ยเพราะปัจจัยคืออวิชชาเพราะมีอวิชชาเนี่ย จึงมีสังขารอาวิชชาคือความที่เราไม่รู้ว่าจิตของเราไม่ต้องปรุงแต่งก็ได้ทำให้จิตเข้าไปการปรุงแต่งอันนี้คู่ที่สนะิบเดมีทั้งหมด11บดคู่อย่างนี้ค่ะสิบเอ็ดคู <c oughs> จ่จริงๆจริ ง, รงความทุกข์ตรงนี้คือการเกิดใช่ไหมเกิดแล้วก็แก่ตายความโศกความรนำํารำพันก็จะนับเป็นสิบเอดสิบ1อดคู่อย่างนี้ดีกว่าวค่ะทีนี้ว่าบางคนเนี่ย จะทำมีความกังวลว่าโอ้โหสิคู่เลยเหรอจะต้องจําหมดเลยไหมเนี่ยถึงจะรู้ทำเห็นทมที่พระเจ้าสอนได้นะก็ต้องบอกให้ชัดเจนตรงนี้เลยว่าขอคู่เดียวพอนะขอให้รู้คู่เดียวพอคู่ไหนก็ไ ด, ดค<ะ>้คู่ไหนก็ได้เจ้าค่ะสบายใจได้หมดเลยคู่เดียวในที่นี้นหมายถึงว่าจะเอาคู่ไหนก็ได้ที่เราเข้าใจที่เราจะรู้ได้ที่เราจะมีสติจับแล้วมันรู้ได้ในที่นี้ก็คือว่าอย่างสมมติ เ อ, า, อาเรื่องง่ายที่สุดเลยคือผัสสะแล้วก็มีเวทนาตาเราเห็นรูปดูข่าวเห็นน้าเห็นข่าวต่างๆเนี่ยมันเข้าทางตาละนะทำให้จิตของเรามีความรู้สึกไม่พอใจหรือความรู้สึกพอใจมันแค่ตรงนี้เองนะจับคู่นี้ได้สบายละจับคู่นี้ได้สบายละ พระอาจารย<ส>์ช่วยเมตตาที่จะชี้แจงขยายความตรงนี้นิดนึงได้ไหมเจ้าค ะ, ะว่าถ้าเราจับคู่ระหว่างเวทนากับพัสสะได้นี่สบายยังไงเจ้าคะเราจะสบายาเราจะสบายตรงที่ว่าเพราะว่าปฏิจจสุบาทเนี่ยคือความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมมันมีทั้งเกิดมีทั้งดับถ้ามันมีเกิดนะมันต้องมีดับถ้าอะไรเป็นเหตุมันต้องมีดับเหตุผลมันจะต้องดับเพราะฉะนั้นถามว่าคุณไม่สบายใจใช่ไหม คุณคุณเป็นทุกข์ใช่ไหมล่ะดูข่าวดูอะไรต่างเนี่ยนะนั่นคืออะไรความทุกข์นี้คืออะไรคือเวทนาเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะจะเป็นเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะก็คือว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราผัสสะกระทบแล้วเราจึงมีเวทนาถ้าองั้นเราก็ไปดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนาเราก็ดับในที่นี้ก็คือว่าเราก็ไปดับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอย่าให้ อกุศลธรรมเนี่ยมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะถ้าเราดับตรงนี้ได้จิตเราจะสบายเนาะในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าเราเลือกเสพข่าวที่ดีมีสติคอยกัน้นสิ่งที่เป็นอกุศล น, นะให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในแดนกุศลเนี่ยเวทนาเราจะดับไปได้เราจะมีความ เ, าเบาสบายใจนะจะดูข่าวเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้อย่างนี้จุคนาะตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการฝึกในะขึ้นตนใจ อย่างคนที่จะสามารถปล่อยวางได้คนที่จะสามารถ เ, าเลือกที่จะเสพข่าวไดเ้เขาจะต้องมีจิตที่เรียกว่ามีกาลังพอสมควรจิตที่จะมีกำลังพอสมควรอย่างเช่นการฟังธรรมอย่างเงี้ยฟังรายการธรรมรับรุณหรือว่าฟังรายการธรรมะอื่นๆเนี่ยนะจะทำให้จิตของเราเนี่ยมีปัญญามีความเข้มแข็งขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆ อ, อย่างในกรณีของคุณวิไลจิตใช่ที่มีการ บันทึกข้อความแรงต่างอันนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้จิตเป็นผู้สูตรนั่นแหละเจ้าค่ะดังนี้เนาะเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อถ้าโยมจะตีว่าสําหรับเรื่องของความหมายนะเจ้าคะของคําำที่คุณวิรายจิตถามมาก็คือปฏิจจสมุติบาทนี้ ถ้าเผื่อจะเอามาเขาเรียกว่ามาปรับใช้กับชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวไทยเราส่วนใหญ่ในขณะ น, นี้ซึ่งเราเกือบจ ะ, ะทั้งประเทศนะคะก็มีความกังวลใจกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยซึ่งถือเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ50ปีหรือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรานะเจ้าคะ่ะที่ว่าจะมีการมีน้าท่วมเหนืออุทกภัยเนี่ยติดต่อกันมาในบริเวณที่กว้างขวางมากตั้งแต่ เรียกว่าทุกภาคเลยเป็นมีเขตอุทกภัยนะเจ้าคะก็ปราบได้กับคนที่ว่าก็จะแบ่งออกเป็นว่าคนที่โดนน้าท่วมหรือว่าคนที่ยังไม่โดนตอนนี้ก็พี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็มีน้ําใจดีนะเจ้าคะเป็นสิ่งหนึ่งที่โยมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราชาวไทยส่วนใหญ่เนี่ยชื่นใจ เพราะเห็นว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะเจ้าคะ่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าใครไม่ทนทุกข์ไม่โดนน้ำท่วมก็ไปช่วยอีกคนหนึ่งหรือว่าส่งข้าวของเงินทองไปอะไรต่างๆนี่เจ้าคะ่ะเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นเลย <c oughs> นะเจ้าค่ะ แต่นี้สาหรับคนที่โดนอุทกภัยก็คือโดนน้าท่วมเข้าจริงๆนี่หลายคนก็บอกว่าถ้าใครไม่โดนนี่ก็คงจะไม่ไม่ไม่โดนกับตัวคงไม่รู้อย่างโยมเอง <okay. S 2> นี่ก็ยังโดนเลยเจ้าค่ะหมู่บ้านที่ชวนชืน่นเอ่ฟอฟลราวิวนั้นเนี่ยน้ำท่วมไปครึ่งหลังแล้วนะเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ก็คืออันนี้โยมเนี่ยเนื่องจากปีบุญได้ได้ไดสักฉารกับพระอาจารย์แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดมานานดังนั้นโยมก็วางได้เจ้าค่ะก็คือว่า สามารถ ร, รู้สึกได้ว่ามันเป็นเช่นนี้เองแล้วก็อีกไม่นานมันก็จะผ่านไปยังมีคนอีกมากที่เขาทุกข์มากกว่าเราเขาสูญเสียมากกว่าเราถ้าคิดอย่างนี้นี่จะสบายใจขึ้นในสองนาทีสุดท้ายนิยมอยากจะขอความเมตต า, า, าพระอาจารย์ไพบรุพิปุโนเจ้าค่ะได้ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวไทยเราในขณะนี้สักนิดตึงเถิดนะเจ้าคะ่ะโดยเฉพาะอย่างจริงตอนนี้เนี่ยที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ย ความเดือดร้อนนี่มันแผ่มาถึงกรุงเทพมหาคนครแล้วอะเจ้าค่ะนีมนเจ้าค่ ะ, ะในเรื่องนี้ก็คือเหมือนอย่างที่พระเจ้าเนี่ยเวลาทุกๆครั้งที่พระสงฆ์มาจากที่นั่นที่นี่มาพบป่าพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะถามก่อนเลยว่าเธ อ, อยังอดทนอยู่ได้ไหมยังยินดีในอาหารตามมีตามได้อยู่ได้ไหมนั่นจะเป็นทำเป็นคําถามที่พระเจ้ามักจะถามเสมอแล้วก็จะทําให้พระสงฆ์ ต, งต่างๆเนี่ยสามารถคีบกันอยู่ได้ เพราะในสถานการณ์อย่างเนี้ยก็ต้องถามท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งที่ประสบเหตุและก็ไม่ได้ประสบเหตุเนี่ยนะว่าเธอต้องอดทนนะเธอต้องอดทนอดทนแล้วก็คอยอยู่ง่ายๆอยู่ตามมีตามได้อยู่ง่ายๆนะให้เป็นผู้เลี้ยงง่ายว่างง่ายแล้วก็ให้มีความอดทนเราจะทําให้เราผ่านพ้นอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆไปได้อย่างดีทีเดียวละ่ะจุ๊ค่ะสําหรับเรื่องนี้นิยมคิดว่าเราคงจะต้องหยิบ ยกมาสนทนากันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะเจ้าคะซึ่งเป็นวันอาทิตย์ก็คงจะต้องกราบนิมนต์พระอาจารย์ภัยบูญพี่ปุณโนได้เมตตาที่จะสักชาหรือว่าสนทนามรำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนะเจ้าคะที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศในขณะ น, นี้แม้ว่าเราจะกำลังประจนเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นอุทกภัยของชาติครั้งประวัติศาสตร์นะเจ้าคะ เจ้าค่ะอย่างนั้นในเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามากราบน้มัมศการขอบพระคุณแล้วก็กราบลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนลูกสิทธิ์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสอาดธิตพัชโส ท, ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกอำเภอดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะและเรากลับมาพบ ก, กันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะสําสหรับวันนี้ขอกราบน้ัมศการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเรียพานสาธุเจ้าค่ะ